บทชาวิตัิชนธรรมกับท่านหลวงตานรงค์ศักด์ศีนาได้โยนตอนธรรมะของผู้รองเรือนตอนที่สอง แม่เนี่ยยึด ล, ลูกจริงเพราะว่าคิดว่าเขาไม่มีพ่อเขาไม่มีพ่อลูกสองคนไม่มีพ่อแล้วเราก็คือพี่เนี่ยเป็นคนเป็นคนจริงจังมากน ะ, ะเดียนนังสือก็ต้องจริงจังได้ที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งของจังหวัดที่หนึ่งที่นนะฮะแล้วก็เป็นแต่ที่จะเป็นคนที่สงสารสงสารพ่อแม่มากสงสารที่น้องสงสาร ค, คนนุ่นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะต้องเอ้ยเราเราจะทําช่วยเขายัางไงจะช่วยเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ และพอแม่มีลูกไม่มีพ่อเราก็ต้องเป็นทุกอย่างให้กับลูกใช่ไหมฮะอ่าเนี่ยเป็นทุกอย่างให้กับลูกเราจะทํายังไงเราจะทำยังไเงไรเราจะหายทุกข์ได้แม้แต่ละวันทําไมมันทุกข์เหลือเกินตื่นเช้ามาตื่นขึ้นมาทําไมมันเศร้าหมองจิตใจมันเศร้าหมองมา น, นั่งคิดมันเศร้าทุกวันยังไม่ได้ไปปรุงแต่งเรื่องอะไรเลยมันเศร้าแล้วเพราะลูกสึกตัวแป๊บเศร้าเลยเอ๊หรือว่าเราเป็นไหวทอง นะฮะหรือ ว, ว่าเป็นวัยทองเอาเศร้าเศร้าทุกวันที่จริงนะฮะนี่แหละก็เลยมันนึกถึงคาสั่งพุทธเจ้าอ๋อมีขันขันท่าที่มันเป็นทุกข์อย่างนี้นะพุทธเจ้ารองรับนี่มันคนธรรมดาทั้งคนอื่นก็คงจะเป็นเหมือนเรานี่แหลมะมั้งเอออย่างงี้ย น, น, นะคะไอคิดไปขึ้นมาเราเศร้าเรื่องอะไรอ๋อเศร้าเรื่องลูกเรายึดลูกลูกทําไมทําอย่างนี้ลูกทําไมเป็นอย่างนี้ลูกทํำไมอย่างนี้ลูกทำไมอย่างนี้แล้วเราจะทํำยังไงนะฮะเราต้องหาเงินให้ได้ ระดับหนึ่งก็คุยกับพี่สาวพี่สาวตอนนี้เป็นอมาพาสนะคนนั้นเป็นที่พึ่งในความคิดที่ก็าไม่แต่งงานบอกพี่ทำไมหนูเศร้าทุกวันแกก็กินยาสิมันไม่ได้เป็นโรคเศร้าแบบนี้นะฮมันต้องหาวิธีแก้ปัญหาอย่างเมื่อกี้หลวงตาบอกว่ามีอะไรยึดอยู่ในใจแม้มันเข้าไปในความรู้สึกของโยมมากแต่โยมทิ้งมันได้หมดแล้วหลวงตา แต่แต่แต่ก็คงจะยึดมาเป็นบางครัง้งบางคราวแต่ก็คงจะมีปัญญาคิดได้นะะอ่าครูบาอาจารย์ตรงเนี้ยตรงที่ยึดไม่ได้นี่แหละมันช่วยเราอยู่ได้เรื่อยๆนะะตอนนั้นก็ที่หนูต้องมีเงินแล้วหนูจะปลอดภยัยเพราะว่าหนูไม่สามารถพึ่งพาใครใครได้หนูมีลูกสองคนหนูต้องเลี้ยงดูแล้วหนูต้องส่งเสียเรียนหนัสือจนกว่าเขาจะเรียนจบมหาลายัย คนคนคนโตเรียนจบไปก่อนแล้วเราคิดว่าคนโตเรียนจบแล้วเขาจะเลี้ยง น, น้องต่อเหมือนที่พเราสมัยโบราณนะฮะแต่แต่เขาไม่เลี้ยงอะ่ะแล้วเราก็เลยแบบว่าเราก็เรียกร้องไม่ได้อะ่ะเราก็เล่าเรื่องสมัยโบราณนู่นนี่ให้ฟังว่าอ้เขาต้องกระตันยูต่อพ่อต่อแม่ยังนู้นย่า ง, งานี่เราก็พูดปไป น, นะคะแล้วเราก็ทุบพูดด้วยความทุกข์อ่ะแล้วมันก็ไม่เป็นอะ่ะใช่ไหมฮะมันก็ไม่เป็นทีนี้เราก็สงสารลูกคนเล็กเอาไงดีฮะเราต้องหาดิทีนี้อ่ะกันนราไม่หลับ ทำไงเราจะหายทุกได้เรายึดลูกคนนี้แล้วคนนั้นจบแล้วอ่าการเรียนเรีโทรอยู่คนนี้ยึดอีกแล้วอ่ายังไม่จบลุกขึ้นมาประมาณตีอะไรก็จะไม่ได้ปากกาสงดจดลูกเรียนชั้นปสามปสี่ใช้เงินเท่าไหร่ปห้าเท่าไหร่ก็หก อ, อะไรต่างๆเนี่ยจะถึงมาหาวิทยาลัยเนี่ยใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นี่เป็นประสบการณ์ที่เองนะอ่าเราจะไม่ทุก แต่ในขณะที่มีประสบการณ์ตรงนี้นะพี่จะบอกว่าพี่สงเสียแม่ทุกเดือนทุกเดือนไม่เคยขาดไม่เคยขาดแล้วก็เลี้ยงดูแม่ไม่เคยขาดแม่แต่สักเดือนเดียวนะคะนแม่เสียชีวิตให้สติแม่โดยการเอาตังมาแล้วก็ให้แม่เป็นอุบายของพี่เองแม่สาธุนะแม่นะเงี้นนยจะไปทาบุญตรงนั้นตรงนี้ว่าไป ให้แม่พูดตามหนูนะแม่แม่พูดไม่ได้หรอกแม่พูดไม่ได้แม่ก็คิดเอานะแม่คิดตามคำพูดของหนูนะอาธุข้าพระเจ้าแม่ชีคำฟงอุปรีเป็นแม่ชีเป็นแม่ชีมาสามสิบปีแม่อขอบรจากทรัพย์นี้แบบหนูเอาเงินนี้ให้แม่นะเป็นของแม่แล้วนะตอนนี้ตอนนี้แม่เอาเงินนี้ทำบุญนะแม่เนาะขอให้แม่พูดขอบรจากทรัพย์จำนวนนี้ เพื่อสมทบในการสร้างทาวรรจุในพุทธศาสนาให้พุทธศาสนาเจริญกคร่งเรืองคงอยู่ได้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังต่อไปเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาเป็นสังฆบูชาต่อพระตาตัยนะแม่นะนะขอคุณสมพลบุญนี้จงคุ้มครองแม่ปิดจิดตปิดใจแม่ไปทุกทุกชาติสาธุสาธุสาธุแม่ครับพูดตามคิดตามน้ำตาแม่ก็เออน้ำตาปิติเออ เสร็จแล้วก็พี่ก็ยังไม่ได้แบบไปทําบุญหรอกอที่ก็เอามาทำอย่างนี้อีกทําอย่างนี้อีกทำนี้อีกแม่เขาลบเริ่มหลงแล้วไงฮะเขาก็จะคิดแต่ว่าเขาได้ทำบุญทําบุญทําบุญทําบุญทําบุญทํำบุญก็เงินอันนั้นอันเก่าเก่าๆนี่ยเราก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ดัไม่เนไรเขาก็จะคิดแต่ว่าเขาทำบุญทําบุญทำบุญทำบุญทำบุญอ่าจิตใจแม่เบิกบานนะแม่นะหนูนอนอยู่ใต้เตียงแม่นี่ หนูไม่ไปไหนอยู่นอนใต้เตียงแม่นี่ลูกๆทุกคนอยู่ล้อมรอบเตียงแม่หมดเลยรักแม่มากทุกคนกตัญญูต่อแม่หมดนะแม่นะแม่เป็นคนดีมากแม่เป็นแม่ที่พิเศษอ่าให้ชีวิตลูกมาให้กับการศึกษาลูกมาแม่ปฏิบัติธรรมมานานแล้วรักษาศีลมานานแล้วนะแม่แม่ทราบกุศลอีกแล้วออ้แต่ทํำคนทั้งวันทุกวันเลยอะไรเงี้ยพูดไปแล้วกันอ่แม่พาแม่พูดอยู่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจนจนมีวันหนึ่งนะ วันนั้นไม่รู้ว่าแม่จะเสียแต่พี่ต้องมาจ่ายค่าแรงคนงานก็บอกพี่พี่คอมินนี่แหละบอกว่าพี่หนูจะไปจ่ายค่าแรงคนงานก่อนนะวันหนึ่งพรุ่ที่จะกลับมาก็กลับมาจ่ายกลับมาขับรถกลับมาเใจไม่ดีแล้ว เพราะว่าพี่ๆตอนนั้นเขายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขไม่ศึกษาธรรมะไม่รู้อะไรกันเลยอ่ะมีเราคนเดียวแฝกเราคือแบบว่ามีแต่คนกพรว่าเราเป็นคนไร้สาระแต่เราถ้าว่าเขาไร้สาระแต่เราไม่พูดเราเรารู้ว่าเขาเขาอย่างไยางยในเมื่อถึงเวลาของเขาเนะี่ยเราพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เสร็จแล้ว่เราก็เออเสร็จแล้วปรากฏว่าประมาณตีห้าพี่ๆเขาโทรมาบอกว่าแม่สิ้นแล้วโอ้โหค ร้องไห้เลยน้ําตาไหลเลยว่าเราไม่ได้อยู่กับแม่เลยแม่จะเป็นยังไงเนี่ยแม่จะไปไหนแม่ไม่ได้ไม่ดิวใครแม่เลยแม่จะไปไหนเนี่ยไม่ไปไหนเนี่ยโหขับรถขับรถอย่างเร็วด่วนมาถึงแม่เขากําลังรดน้ํารดน้ํำศพแม่ทางสาลาโอ้ยพระเรียงยาวมากเ่อแม่เป็นแม่ชีไงสามารถเน้นแม่ชีเรียงยาวญาติโยมมาเต้นเลยพ่อแม่เป็นคนที่ใครๆก็รู้จักใครๆก็เคารพนะที่คนเต็มเลยวิ่งถลาไปหาศพแม่ พอเห็นหน้าแม่ปับ๊บดีใจมากแม่ไปสุขติแล้วหน้าแม่สวยกว่าตอนที่แม่ป่วยอีกหน้าเป็นสีทองหน้ายิ้มเป็นแม่ชีที่ใจดีขาที่โคง้งเป็นวงกลมก็ตรงแล้วก็แบบเรียบร้อยเป็นใส่ชุดขาวแล้วก็มีดอกมีอะไรต่างๆที่ประดับประดาที่แบบเขาทําให้มีเ ก, กียรติกลาบเลยช่วยตัวแม่ ปูด้วยผ้าเหลืองผ้าพลาสีเหลืองแล้วใส่ชุดขาวมีพ้ามันเล ส, สวยๆค้องแล้วก็มีคือดูแล้วแม่ไปสุขติแล้วดีใจมากเลยก็ไม่เอาหัวเอาเท้าแม่ใส่หัวแม่แม่ไปสุขติแล้วนะแม่นะดีใจมากดีใจมากเลยนั้นก็เลยเาวางใจแม่แมไปนะไปสุขติแล้วคนะนะนะือหน้าที่ของเราสมบูรณ์แบบแนละ้วต่อไปหน้าที่ต่อพี่พี่ที่ที่มีอยู่ <N> นะคะอ่ก็ดูแลพี่ๆทุกวันนี้ก็ดูแลพี่คนที่เป็นอัมพาตอยู่ตอนนี้นะะก็เลี้ยงดูกันทำดีที่สุดละหมดตังค์ไปหลายล้านอยู่เหมือนกันพี่คนอนะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังดูแลกันอยู่ พ, พี่ที่นอนอยู่ที่บา้านหรือเปลาา <N> ่าคะ <N> ใช่ค่ะบ้านบ้านานลาะใช่ค่ะใช่ค่ะเ่อเราไปเยี่ยมาพี่ที่เป็น ดเดี๋ย ö, วเนียันาไปดีรคมที่ทุกัวจัดเลยะพ่ายหลงว่าท่านพรพใช่ค่ะพอพอพี่เขาบอกว่าหลวงตาพูดนี้โอ้โหหลวงตานี่มันจริงจริงที e> mm ่ส hmm. ุบายอยากทําบกบ่นาให้แมทําบุญรถที่สุดกวดใ้ใักที่เราไปฆ่าทายังไงไ่อยสาอุบายแบบนี้แบบเดียวกที่ท่ากับแม่ให้ให้ทํากับพี่ง้นเอ เป็นก like like mm ้อนก้อนกอนเก่าก็ได้ก็มีเอาปลาอย่างนี้เลยกิาเีกไปกินแล้วก็ไม่เอาปาอย่างนี้เพื่อให้เขาที่ผู้สืบสืบได้ปลาได้ให้คป็นไปที่เัาดอาหารเราก็บอกว่าเราพาเป็นอาหารล้วไม่ได้จะอากลาเาได้ได้อาารมาหลายเวลาเราพูดให้มันให้เจนสบายโที่สืบสืบมีเขาใชอย่าได้จองมีจองกรมการแล้วก็อีกเหมือนกับเนชาก่อแม่นั่แน่กคอนเก่าก็ได้ ก็ทำทำได้แค่นั้นเพื่ออายจ่ายาดีตอนนี้ก็คือเอาตังค์ไปให้พี่ทุกเดือนเอาไปให้ทําบุญบอกพี่ก็พูดอย่างงี้แหละก็ทําแบบนี้ยทําวิธีเนี้ยแกก็หลงหลงเรื่องเรื่องละอ่าก็เป็นเสื่อมในสมองแตกก็ก็ทําอุบายแบบเนี้ยอ่าแต่ว่าพี่นี่เราต้องระมัดระวังมากเลยเพราะว่าพื้นฐานใจไม่เหมือนแม่คนละอย่างพี่เขาจะ ปิดโรคๆเยอะเขาเป็นประธานไอ้เป็นอะไรนายกอบตสามสมัย เ, เขาก็จะเป็นอี ก, อกสไตล์หนึง่งนะะเราก็ต้องมีอุบายอีกแบบหนึง่งต้องระมะัดระวังคำพูดหน่อยจะไปสอนเ็มากไม่ได้ต้องาต้องต้องยัดๆนิดๆให้สั่งเขาทำบุญเอาเงินไปทำบุญอะไรเงี้ยอ น, นี้ทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการยึดลูกนะฮะก็ ตื่นมาก็มาคิดอ่าคือคื อ, คอนี่พูดถึงว่าภารกิจที่รอบตัวเราก็หมายถึงแม่ที่ที่แต่ละคนนะคะถึงแม้เขาจะมีครอบครัวมีอะไรนละ้เราก็ต้องตามไปช่วยเหลือตามไปดูแลอะไรเขาทุกคนเขาเดือดร้อนตรงไห น, นแต่ตามถ้าเท่าที่เราจะไม่ทุกข์นะเท่าที่เราจะสามารถทำได้นะสุขความสามารถของเราถ้าเลยจะเป็นความทุกข์แล้วเราไม่กวนเพราะว่าจิตเราเศ้ามองก็ไม่ไดีใช่ไหมคะอืาตรงเนี้ยทีนี้ เส็แล้วก็มาถึงลูกที่ใกล้ตัวแล้วมากที่สุดก็เลยไม่เข้าใจว่าไอ้เจ้ากรรมในเวรต่างๆทั้งหลายที่เราได้เคยร่วมเกิดเข้ามาในสังสา ร, รวัตของเราเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาจะมาเกิดมาให้เราใช้กรรมอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้แหละค่ะบางครั้งก็จะเป็นทำกุศลโลกกันมาบางครั้งก็จะทำเป็นอกุศลโลกกันมาที่รุนแรงรุนแรงมีมีความเข้มข้นก็จะมาเกิด ติดตัวเราหรือใกล้ตัวเราเป็นลูกเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อแม่เป็นที่เป็นเนอะนะฮะถ้าเขาไปเกิดอีกประเทศหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งเขาไม่ได้มีโอกาสให้เราได้ใช้กรมมันต้องมาเกิดใกล้กันกับเรานี่แลยนะฮะทําให้เรายึดเขาเพราะอะไรเขาเป็นของเราไงลูกเราถ้าเป็นลูกคนอื่นเป็นอะไรอะไรเรายังไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยเพราะอะไรเพราะสภาพจิตของเรามันต้องใช้กอืมลูกคนโตเนี่ยจะเป็นคนแข็งเป็นคนแข็งนะฮะ ก็ทุกมากทุกกับลูกคนโตมากจะทำยังไงในที่แก่ก็ยังไงอะต่างๆเนี่ยจะทํำยังไงลูกคนเล็กนี่ก็ห่วงว่าจะทํายังไงจะเรียนจบเจยอะไรมากพ่อเขาไม่มีวันนั้นก็เลยเราทําเราต้องเราต้องลองดูสิไม่งั้นไม่หลับเครียดมากนะไม่เครียดมากปุ้งแต่งไปทั่วไม่ไม่ไม่ได้ธรรมะปฏิบัติไม่ดีไงครับ มีแต่ทฤษฎีความธรรมะแต่มันไม่ได้เข้าไปถึงใจไม่มันไม่ปฏิบัติเห็นมันไม่เข้าไปถึงใจอ่ะมันก็เลยท่องไปอย่างนั้นน่ะใช่ไหมฮะที่บอกว่าโอ้โหนี่มันมันสว่างไหลายอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยนะอืมทีนี้เอาไอ้ตรงนั้นมาเออลูกเข้ามีกรรมในของของตัวนะเข้าํากรรมเข้ามาเขาถึงได้เป็นอุปายนิสัยแบบนี้เราก็ทําการรู้เข้ามาแล้วก็ต้องมาช่าใช้เพราะว่าเราต้องมาอยู่ใกล้กันอคิดไปแต่ว่าก็ทุบอยู่ก็หาวิธีแก้ใจตัวเองไง มันก็ยังทุกอยู่ถ้ามันยึดมันก็ยังทุกอยู่ทําไมมันถึงได้กังกวลวิตกอะไรมากมายวิตกกังวลมากเป็นคนวิตกกังวลมากเลยนะฮะจะต้องเป็นทฤษฎีไปหมดเลยะแบบเรามีแบบแผนชีวิตนะเอ้ไม่ให้อะไรหรอกให้แบบแผนชีวิตถ้าอันนี้คือความสุขทางโลกโลกที่เจอด้วยอามิตรเจอด้วยที่สิ่งของที่เราจะต้องได้หรือคนที่เราจะต้องให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราก็ทุกอยู่นั่นแหละ สิ่งของเนี่ยมันก็มันได้มามันก็เสื่อมไล่ไมันก็เสื่อมใช่ไหมคะในที่สุดมันไม่มีอะไรที่เราจะยึดได้ความสุขที่แท้จริงไม่มีความสุขทั้งโลกที่แท้จริงไม่มีเพราะทุกอย่างจิตเราก็เสื่อมมันไม่มีจุดสูงสุดในความต้องการของเราแต่พอเรามาภาวนาตรงเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าอะไรเป็นอะไรน้องถึงตรงนี้แล้วน้องจะจะเข้าใจว่าเหมือนที่พี่เป็นนี่เลย ที่เป็นคนนิสัยสละง่ายที่เลยรู้นิสัยของพี่เลยวะที่เป็นคนสละง่ายเป็นคนให้ง่ายเป็นคนไม่คิดอะไรมากเพราะเห็นอะไรน่าสงสารเหมาะแล้วสมควรแล้วสละเลยสละเลยสละเลยแล้วก็ได้มาโดยที่ได้ง่ายอืมงานที่เป็นที่รับเหมาผลิตกระเบื้องมุงหลังคาตาห้าห่วงนะเร็งนาเกอินในโอลิมปิกห้าห่วงตัวนี้ที่เป็นผู้รับเหมาเจ้าเดียวในในโรงงานเพราะว่า อุปนิสัยที่เราเป็นคนจริงจังจริงใจและเป็นคนเสียสละเป็นคนง่ายอะไรต่างๆเนี่ยบุญต่างๆมันจัดสรรให้มีอุปนิสัยที่แตกต่างการที่พระเจ้าสอนเนี่ยมันก็คงจะจัดสรรให้เราได้มาเป็นคนที่สละง่ายให้ง่ายพิจารณาอันนั้นพิจารณานี่เห็นประโยชน์จึงทำนะคะแล้วอะไรต่างๆมันก็จะจัดสรรให้เราไปเองปรารถนามาผลนิพพานมันก็คง มันก็คงไม่ไม่หลุดจากช่องทางที่จะไปได้นะฮะอาจจะเป็นชาติไหนหรือชาตินี้ชาติโน้นชาติอะไรก็แล้วแต่ก็ขออยางให้พวกเราทุกคนอย่าได้ลุดออกจากเส้นหนทางที่ถูกต้องเหล่านี้นะฮะรวมทั้งพี่ด้วยลวมกันนะะเดินทางเป็นในทางเดียวกันในทิศทางเดียวกันอันนี้คือคือคือคือประสบการณ์จริงของพี่นะคะถูกทุกอย่างเรายึดไม่ได้ กับขากากัากัากับขากับขากัขากบขากับากับขากัขากเบข่กับขานเบากับขากัากับขากับขากักขกาักกกาััาบบัาัาับั เราจะไปหน้าบ้านอเลยก็ฟังของพี่ดวงใจเน้ะคือมันมันอย่าทําที่นั่งอยู่ด mm. ้วยกันแล้วทั้งคุณพิมพ์เน็ร้องไห้แล้วปิติร้องไห้แล้วผมนักฟังเนี่ยคือเราก็เป็นลูกสึกก์ูบาอาจารย์หลายท่านแล้วก็เป็นรูกสึกยของหลางตาด้วยคือ คือสิ่งที่พี่ดวงใจพูดเลยมันมันสภาวะที่พี่ดวงใจเกิดขึ้นกับในใจตัวเองเนี่ยมันมันหมดสงสัยเลยมันชัดเจนมากแล้วหลวงตามันมันมันไม่ต้องอธิบายเลยอ่ะคือมันตรงตามที่ที่คนคนหนึ่งจะรู้ทำจรินทำได้เลยครับแล้วก็มันไม่ใช่นึกคิดด้วยเพราะมันยังอยู่ใน จังหวาที่มันยังตั้งตัวที่จะคิดไม่ได้เชื่อมโยงไม่ได้แล้วทำที่มันผุดขึ้นมามันโอ้โหมันมากมายมหาศาลกว่าคนเราที่จะจินตนาการคิดจากเรื่องผูกโยงไปอีกเรื่องแล้วก็จะไปอีกเรื่องมันมันไม่ใช่ระดับความคิดของมนุษย์คนหนึ่งที่มันจะมันจะจินตนาการในการคิดเรื่องต่อเรื่องสอนเรื่องได้ขนาดนี้คือมันชัดเจนเลยครับที่มันเป็นทำที่มันผุดขึ้นมาจริงๆแล้วทำที่ผุดขึ้นมามันก็เป็น ตรงตามตำราชัดเจนในเรื่องของมีปัญญาเข้าใจในเรื่องของไตรักขาหนึ่งของไตรักแล้วก็เข้าใจละภรรยาที่ถี่ได้โอ้โหผมเนียเนี่ยครั้งแรกเลยที่มานั่งฟังรประสบการ์จากคนคนหนึ่งที่แบบปฏิบัติทำมาแล้วแล้วพี่เขาอยู่ชีวิตพี่เขาเนี่ยคือ พอฟังดูทีแรกก็นเน้นว่าเออสละเงินทําบุญโป่งก้อนใหญ่แล้วมันจะเป็นอั น, นิี้สองที่เหวี่ยงกลับมาสละเงินอะไรที่ใช่ไหมฮะที่ที่จะสร้างเกียรติดีสุดท้ายได้ก็จะได้สร้างเกียรติดีเพื่อเก็บอัติธานของตัวเองอะไรอย่างนี้ฮะโหชีวิตพี่เขาอยู่ในในรอยของของพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เล็กๆ เ, เลยคุณแม่เป็นแม่ชีแล้วก็คอยดูแลมีความกระตัดอยู่ดูแลพ่อแม่มาตลอด โอ้โหแม่เสียดายแทนคนที่กลับไปก่อนตองสครับออครับได้ไปทัวโลครับคือคือนมกจอกี่คื อ, ค อ, คอจุดแรกที่ที่ได้ลงไลย์ไปเมื่อสักครู่ว่าพี่เป็นคนที่ได้ได้ทำบุญเยอะเป็นจานวนเงินที่มีมูลค่ามหาศาลเนี่ยไอ้นั่นผมก็โมทนาบุญคือแบบสุดๆแล้วนะ ในวันเนี้โอ้แต่สิ่งที่พี่เล่าต่อจากบอกว่าอยากจะเล่าอะไรแลกเปลี่ยนเป็นข้อแลกเปลี่ยนพี่ก็ไม่ได้จะพูดอะไรเลยเดี๋ยวจะขอแค่แลกเปลี่ยนให้ฟังในเปลี่ยนบรรยากาศบ้างในช่วงที่เอาตาจะได้พักอะไรเงี้ยโอ้พี่พูดมาผมสุดยอดก็เป็นบุตของผมมากเลยนะที่ได้ฟังพี่พีเล่าเรื่องมาเนีฮะครับโมทนาพี่ด้วยนะครับ เนี่ยหยุดออกได้เลยอะโอยมันไม่คิดว่ามันจะเป็นความบังเอิญขนาดนี้เพราะว่าตอนที่ ตอนที่ฟังหลวงตาค่ะว่ามีอะไรที่เรายัางติดข้องอยู่ในใจของเราอะไรที่เรายังไม่ปล่อยอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเสียใจหรืออะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะมีอยากจะเป็นแล้วเราไม่ได้ไม่มีไม่เป็นจริงๆก็ลืมลืมความรู้สึกนี้มาสักพักใหญ่แล้ว แต่ตอนที่ฟังหลวงตาเนี่ยสิ่งที่นึกขึ้นได้แล้วมันก็เป็นความเสียใจมาเรียกว่าหยัดตลอดชีวิตก็คือเสียใจที่เราไม่ได้เกิดเป็นผู้ชายตั้งแต่จำความได้คุณพ่อจะบอกตลอดเวลาเลยว่าผาเนี่ย รักเด็กผู้หญิงมากแล้วปาก็ดีใจมากที่ปามีเราเป็นลูกสาวเพราะเขารักรักเด็กผู้หญิงมากก็ไม่เข้าใจว่าทําไมปาชอบบอกเราอย่างนี้เราไม่เคยบอกบอกพ่อสักคาเดียวเลยว่าจริงๆแล้วเราอยากแบบเราเราไอ๊ะทไมเราต้องเกิดเป็นผู้หญิงอะเรารู้ึกว่าเราอยากเกิดเป็นผู้ชายแต่ก็คือเราก็เป็นผู้หญิงเนี่ยแหละก็คือเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยแหละแต่ว่า เออเห็นพระเห็นอะไรเงี้ยเราก็จะมอก็เป็นเด็กผู้หญิงอะแต่เราก็ไม่รู้ว่าทําไมเราเราชอบอะเราแบบเ อ, อ้ทาไมเราไม่เป็นเกิดเป็นผู้ชายเพราะถ้าเราเป็นผู้ชายเราก็คงจะดได้บววหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็เป็นความแบบน้อยใจทําอะไรไม่ได้ก็เลยเหมือนหมั่นไส <c oughs> ้คือโดยปกติก็จะหมั่นไส้ผู้ชายทั่วไปเพราะเราทํำอะไรไม่ได้ <c oughs> คือแบบผูช้ชายร้อยคนเนี่ยจะชอบสักคนเดี๋ยวคือชอบนี่หมายความว่าอยู่ใกล้ๆได้นะไม่ได้แบบจะรู้สึกอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเป็นความรู้สึกตลอดเวลาเราที่ผ่านมาคือผู้หญิงที่หนูสัมผัสได้ว่า ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็อยู่ในสถานะของแม่ชีซึ่งซึ่งก็ก็ไกลเติรนมันเหมือนกับเราไม่ได้อยากบวชทีถนะ้าเราจะบวชเราก็บวชพระเราไม่ใช่บวชทีอะไรประมาณนี้ยมันก็เลยก็ยังไม่ใช่อะจะบวชก็ไม่ใช่แม่ชีอะ <c oughs> ก็ยังไม่ใช่มันคือคำสื่อว่ามันสัมผัสไม่ได้ คือเป็นผระก็เป็นไม่ได้เป็นชีมันก็ยังไม่ใช่แล้วมันก็เครกเหมือนกับค้างในใจว่าเราก็เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วมันจะได้ไหมอ่ะเราจะมีบุญมีราสนาพอไหมอ่ะแล้วไออารมณ์ความรู้สึกนั้นน่ะ คือก็ไม่ได้คิดมันมาตั้งนานแล้วจนกรทั้งแบบหลงตาพูดขึ้นมาแล้วมันก็เลยแบบเออใช่มันมันตั้งแต่เราจำความได้แล้วมันมีความรู้สึกอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่คิดเลยไม่คิดเลยว่จมาพบพี่ดวงใจวันนี้อล้วพี่แบบบอกเล่าในสภาวะแล้วมันเหมือนมันแบบ ไไสภาพะนี้มันมันไม่ไม่มีเพศอ่ะมันไม่มีเพศเพราะมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่สัมผัสได้ว่าแบบเพราะไม่งั้นอะ่ะก็คือเราสัมผัสได้กับคนที่ท่านเป็นเป็นพระสงฆ์หรือเป็นผู้ชาย หรือเป็นแม่ขี่แต่ในสภาพที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเยอะเราไม่เคยได้สัมผัสได้แล้วเราก็ไม่รู้มันจะมันจะมีไหมมันจะใช่ไหมมันจะมีโอกาสไหมตอนนี้รู้แล้วว่ามันมี คือมากมากแต่ค่ะก็คือเข้าใจเข้าใจอารมณ์คุณจิมนะคะว่าในในสภาพที่ที่มันในอัตภาพผู้หญิงนะคะมันมันค่อนข้างจะลําบากในการปฏิบัติธรรมคือว่าอืมในความปลอดภัยหรือว่าการเป็นอยู่มันลําบากสําหรับสําหรับเพศผู้หญิงนะคะ แต่รู้สึกวันนี้หลงตาบอกว่าหลวงตาจะทำทำเจดีย์ทำเป็นที่ปฏิบัติธรรมที่ที่หลวงข้าว <c oughs> รู้สึกดีใจคะ่ะว่าสำหรับเพศนี้มันจะมีที่ รับอยู่เหมือนเป็นดินแดนสําหรับการปวดห่วงภาระทั้งโลกของของสังาบันผู้หญิงค่ะคือคืออย่างหนึ่งที่ลําบากสําหรับการปฏิบัติหน้าของผู้หญิงคือความปลอดภัยอย่างหนึ่งแล้วก็คือการเป็นอยู่เราเราบินบินทบาท่าหรือหรือ ท, ทำอะไรไม่ได้แล้วก็มันมีเรื่องสุทธิภาระอะไรเยอะแยะที่ ให้ทุกคนเป็นกังวลน ะ, ะก็อยากให้ทุกคนความรู้สึกนี้มันน่าจะเป็นจริงอยากให้ทุกคนรวมอนุมโมทนากับกับยินแดนนี้ที่จะเป็นที่สุด ข, ข้ายสำหรับสาหรับผู้ที่คน้นหา ความทมุทุกข์โลกอยากให้ทุกคนรวมรวมสร้างรวมแหลกรวมใจรวมขนุนโมชนากับกับที่สุดท้ายของทุกๆคนที่จะไม่ไม่มีภาระทั้งโลกจบจบทุกอย่างครับ ทำอยู่แนทุกที่อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้เป็นเรื่อว่าที่หยิบข้าวก็่ะบายอยู่แต่เป็นที่เอาอาตีพ่าไปไว้แต่ปฏิบัติใ้ทุกที่อยู่ได้ในทุกที่ผมยกรูงใจทีเดียวอยากให้ทุกคนปฏิบัติได้ในทุกที่พรกิเลสมันเกิดจากใจความทุกข์มัเกิดกักใจ ความสิ้กิเลสและความทุกข์ก็สิ้นจีตใจไปได้ไปไปไ ป, ไปสิ้นกิเลสที่หลึงขั้เพราะธรรมะมันเข้าไปได้มันเข้าไปทาง u t u b e เข้าไปไทางลนเข้าไปในทวิ ท, ที่แต่ขออย่าให้มันอยู่ในแค่ youtube ให้มันเข้าไปอยู่ในใจเหมือนเหมือโยนดวใจเขาีิให้มันเข้าอยู่ในใจของทุกคนเราปาจฉนานเนี่ยให้ธรรมะ เสียงรรมะเนี่ยให้มันเข้าไปอยู่ในจิตในใจของทุกคนไม่ว่าจะเป็นมนทุติสุได้อิปนิจและนัรทุติยามเรียว่า้ใจเกิดทุกุกจิติญญาให้ไปกระแทให้ไปกระเพือนาดคันไปับอวิชากิเลสัหาอุปทานทุกธาตุในใจใจของทุกคนใ้เราดูดูว่ากลุ่มนโลกประทาสจากประวันในใจในใจเห็นอิตามว่าจะเป็นุเิยามิตยติอส้งจิตปัญหาไว้ยางนั้นไม่ได้ว่าทุกคนต้องไป ไปอาศัยอยู่ที่บนข้าวแล้วก็ไปปฏิบัติที่นันแบบปรารถนาให้ทุกคนเนี่ยนำหลับพันธุ์ครอบครัวปฏิบัติและมีที่เก็บอธิภาพษ์ของคารวะว่าคารวะไม่เลือกว่าต้องเป็นหญิงผู้ชายอย่างที่ทีมโต้ว่าหรือว่าใม่ต้องพักแขนใจผูงง้หญิงก็ปฏิบัติได้มีครอบครัวก็ปฏิบัติได้เราต้องขอโทษกับทุกคนที่บอกว่า เ อ, อผู้หญิงมีลูกนี่ทําได้ยากเนี่ยไหมตอนเราบอกว่าผู้หญิงที่ลำบากจริงจริมีลูกแล้วตัดให้ขาแล้วเลือดในหัวนี่ไม่ตัดได้วันนี้ก็เป็นที่ยอมรับวเออไม่ต้องขอขอสอนคืนมาคืนคำพูดเออผู้หญิงที่มีลูกก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติได้มีครอบครัวก็ปฏิบัติได้ในทุกที่ตัดที่ใจจบที่ใจแล้วก็เอาอาชีพไปไว้ที่หนุนค่า แล้วก็หวังอย่นี้แหละก็ไ่ได้ว่าให้ทุกคนต้องอยู่ดีลึงชาตแต่ให้อาจอุชาติตอนที่น่าเพื่อให้เป็นที่เป็นกำลังใจให้แก่คารวะว่าคารวะไม่ว่าหญิงหรือชายแม้แต่มีครอบครัวถ้าหรือสิ้นห้าบริสุทธิ์แล้วก็ข้อสามไม่ร่วมเวธีถ้าเป็นคู่ครอง ก, รกันก็คุยจะไม่รู้เลือง ตกลงอะไ ร, ช, รชัดเจนถ้าอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนเป็นกันยาชนิดพากันพ้นทุกไปก็จะสามารถบรรลุธรรมไดนที่สุดระดีเป็นเครื่องเป็นกนำลังใจให้แก่ทุกคนอิ่มโยนใจเราสอนมาก็ไม่มีใครที่พูดออกมาแจากโจโค้งๆแบบเนี้เยเราก็สบายใจแล้วอะไรนะว่ า, า, ว า, า, วาทำสอนทําให้คนเนี่ย เข้าใจได้เราคิดว่าให้เข้าใจแล้วมีคนเข้า ใ, ขใจถามได้โยมจะให้กําลังใจน้องอีกข้อนึงนะคะหลวงตาที่น้องปรารถนาอยากเป็นชายใช่ไหมคะที่เราเป็นหญิงในภบชาติเนี้ยมันเพียงแต่ว่าเกิดจากเศษกรรมบางอย่างที่เราได้ทําไว้ตั้งแต่อดีตแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ทํากุศลเลย ถ้าเราไม่ได้ทํากุศลขั้นสูงสุดขนาดนี้เราไม่มีโอกาสได้มานั่งฟังหลวงตาเพียงแต่คนจํานวนมากมายในที่นี้ในจังหวัดนี้เท่าไหร่เรามีกันแค่น้อยในเช่นนี้ได้มานั่งฟังธรรมะที่เพื่อหนทางแห่งการทุกข์ทุกข์ขนาดนี้นะฮะเสร็จกรรมได้ในตรงเนี้ยเราผิดศีลข้อสามมาใช่ไหมฮะอผิดศีลข้อสามมาแล้วก็เสร็จกรรมมันทําให้เรามาเป็นผู้หญิง แต่บุญกุศลที่เราได้ทํามาที่เป็นบุญที่ประ ก, บกอบด้วยปัญญาแนะนามาให้ผลล้อมมากมายมหาศาลทําให้เราเป็นผู้มีปัญญานะน้องเนี่ยประเสริฐแล้วนะที่ได้มีโอกาสได้ได้มีจิตใจที่รู้ว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเรานะเราจะได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดทุกทรมานไปแก่ไปเจ็บไปตายแล้วก็ไม่แน่ว่าชีวิตหลังวับความตายนั่นอ่นะเราจะไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะอ่าในภบชาติเนี้ย อย่างพวกเราเนี่ยก็หาได้ยากที่สุดแล้วนะมันไม่ได้ตัดสินกันด้วยร่างกายไม่มันตัดสินด้วยจิตใจพ้นทุกข์ด้วยจิตใจไม่ได้พ้นทุกข์ด้วยร่างกายนะอืมนะขอเนี่ติดหนูเป็นใกล้ใกล้ที่จะเป็นใกล้ที่จะหลุดพ้นแล้วแหละนะที่เรามาอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้หลวงตาไม่ใช่ธรรมะที่ที่เราไต้ผ่านผ่านมานะทุกคนก็ต้องสัมผัสได้เหมือนพี่นี่สัมผัสได้ ที่กล้าการีเลยว่าพี่จะไม่ไปไหนพี่จะปฏิบัติวิธีนี้แบบนี้น ะ, ะเลยไปจนกว่าจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกได้น้องโชคดีแล้วละ่ะที่ได้มีโอกาสนะคนจนํานวนมากมายที่ไม่มีโอกาสมากมายร่างกายของพวกเราเราเป็นหญิงแต่ใจเราไม่ได้อ่อนแอเราตัดสินใจเองด้วยตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองทุกทุกเรื่องทุกอย่างเป็นตัวของตัวเองมันยิ่งกว่าชายที่เขาเป็นชายสินะคะ อ่าเลิกคิดเสถะว่าทําไมเราถึงเป็นหญิงไม่สะดวกในการที่จะไปปฏิบัติเราสามารถอยู่วิเวกได้ทุกที่นะฮะจิตเราวิเวกเพียงแต่เราเห็นลมหายใจหรือเห็นอารมณ์ที่มันแปรปรวนแต่เห็นจิตที่มันแปรปรวนเห็นเกิดเห็นดับในทุกขณะนั่นก็คือวิเวกแล้วเหมือนกับทุกขณะที่เราสามารถเห็นก็ได้เห็นตัวอย่างของจิตเห็นอะไรต่างๆที่เป็นกายเป็นจิตที่มันเกิดดับได้นะไม่ไม่จําเป็นต้องไปอยู่ในป่าหรือในอะไรต่างๆ ไม่จำเป็นเราก็หาความสะดวกของเราแล้วก็หาความหาความสะดวกของเราแล้วก็หาชื่อแบบสถานที่ตรงไหนก็ได้ที่มันจะสะดวกนะอ่าขอให้แบบเลิกคิดเลยว่าอยากเป็นชายเนาะเออนะเอะ อ, ะอยังวิเศษกว่าคนที่เป็นชายเยอะแยะมากมายเนาะอือโอเคค่ะค่ะไม่หยบคุณเลย แต่แต่ชายที่นี่ก็เป็นยอดชายนะคะเป็นยอดชายมีความเป็นใจในที่หยกฟังแล้วเป็นไงมั่นเอาผู้แต่ที่ยกพูดนายได้อะพอดยังไงฟังนี่แล้วเป็นยังไงบ้างอะกระจ่างค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายอ่ะ ถ้ามันจบที่ใจมันก็มันก็จบที่ใจอะหนูก็เหมือนพี่ยิ้มค่ะเขาอยากเป็นชายสภาพเป็นหญิงเวลาจะทาอะไร <Okay. S 1> เวลาสภาพเป็นหญิงเวลาเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มั่นคงหรอคะ่ะด้วยสภาพทางกายภาพแล้วหรือไม่ก็ทางจิตใจเนี่ย ใจมันไม่หนักแน่นพอในการในการอยู่คนเดียวในการใช้ชีวิตคนเดียวเราคิดว่าเราต้องมีที่พึ่งแต่พอพอฟังวันนี้แล้วไม่ว่าจะอยู่ใน ส, สภาพไหนสถานะไหนเนี่ถ้ามันใจมันจบแล้วอะ่ะที่ไหนก็ได้ค่ะเพราะว่ากำลังเลแตอนแรกกำลังเลวอะ หรือเราจะบวชที่ใจออใช่ล้วบวชที่ใจได้ไม่ต้องบวชกายก็ได้ค่ะบวชที่ใจก็ได้ห่มขาวอยู่ในใจมีกำลังใจต่อค่ะจบได้ในทุกที่นะทุกที่มันสามารถจบได้ไม่จาเป็นต้องไปจบในวัดจบในสถานที่ปฏิบัติธรรมเรา แม้แต่ขับรถไปมันยังจบได้เลยแต่ห้องน้าความท่วมในเดินไปเดินมาในที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันทุกข์มันจะเกิดจากใจกิเลสมันจะเกิดจากใจสิทุกที่สิกิเลสมันก็ทิ้ดใจนี่แหละมันไม่มีเพศอะไรหรอกมันสิ้นยึดมันก็สิ้นทุกสิ้นกิเลสนี่แหละมันก็สิ้นในทุกที่นี่ไอ้ว่ามันอยู่ที่ไหนหรออยู่ในทุกที่ ธรรมะก็เกิดกับเราบ่อยๆในตอนเรานักท่วมใจมันสบายมันสดทุกขสบายสบายมันไม่ได้รู้จะทําอะไรธรรมะดีๆก็เกิดขึ้นบ่อยในขณะหนักท่วมเราก็ตรงๆเลยมันไม่ต้องเลือกว่าโอ้ที่นี้สกบูรณอะไรหรอกมันมันธรรมะมันอยู่ในใจเราไม่ได้เกี่ยวกันหรอกมันเกิดได้ทุกที่อะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องไปเลือกอยู่ในวัดในสถานที่ปฏิบัติธรรมดีๆเราทิ้งจากคนทุกข์ได้มันไม่ใช่หรอกคนทุกข์ได้ในทุกที่เลย ค่าเหตุการณ์มันเหมาะสมคือทํามันมันเกิดขึ้นเหมาะสมทุกอย่างเหมาะสมทั้งหมดแล้วถึงเวลามันเกิดได้ทุกที่ขับรถอยู่มันก็เกิดได้มันเกิดได้ทุกที่เลยพอะอนุนเนี่ยมันเกิดได้ท่านอนในซ้าพอเอนนอนหัวไม่ทันถึงหมอนก็รู้อรหันแล้วมันเกิดได้ทุกสภาพทุกจังหวะเนี่ยมันถือว่ามันมีเหตุบรรจัยให้เหมาะสมในขณะนั้น เหตปัจจัยที่เราสร้างมันปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปล่อยสินี่ปัจจัยเดียวเลยปล่อยวางหมดสิแล้วถึงเวลาเนี่ยปล่อยวางหมดแล้วมันก็มันจะเป็นไฟมันเองเนี่ยเรามีหน้าที่ปล่อยวางอย่างเดียวปล่อยวางแล้วก็ปล่อยวางตัวผู้ปล่อยวางด้วยไม่เอาตัวเราไปปล่อยวางอย่างอื่นแล้วเราไม่ปล่อยวางตัวเราก็ปล่อยวางตัวเราไปเรื่อยๆปล่อยวางผู้ปล่อยวางไม่เอาอะไรเลยไม่ศาสนาที่ใดเลยปล่อยวางเน่ได้ถึงเพื่อปล่อยวางปล่อยวางปว่า ก็ทำเหตุนี้เหตุเดียวเว่าถึงเวลาเหตุมันจะเป็นไปอ่ะเป็นแบบเป็นเองถึงเวลานั้นไม่ต้องทําอะไรเลยมันไม่ใช่ป่ะมันไปเกิดตอนเราทําถึงเวลามันเป็นมันเองรักมันเองมันทํเขาปรากฏเองปุ๊บปุ๊บปุ๊เราตั้งหลักด้วยฐานหลักมันเป็นมันเองมันเกิดขึ้นเองเป็นเอง แต่ไม่ใช่ว่าเราไปรอเอก็ทาเหตุของเราเรื่อยๆแล้ว เ, ว เ, เ, เาาไไดี๋ปล่อยวางไปเรื่อยๆเดี๋ยวพวกเราพูดปฏิบัติธรรมในแง่ถูกต้องแล้วฝังธรปฏิบัติสรรมแต่งคือว่ามัน ก, ก็เป็นกลังใจใพวกเราอย่างยมดวงใจเนี่ยว่าคนมีครอบครัวมีลูกสามารถที่จะผ่านนะผ่านทั้งโลกตัด ท, ทั้งโลกที่เป็นแม่คนเดียวที่เรียนตั้งเลี้ยงลูกของคนในสามีไม่มีแล้วก็ ผ่านโลกก็ได้ต่ทางโลกก็ผ่านมาได้ผ่านอุปสรรคมาได้ทิ่ติดขัดอุปสรรคปฏิบัติแล้วก็ไม่รู้ทำเน้นทำไม่มีทางไปก็เป็นอุปสรรคที่ไม่รู้ทางไปไม่รู้จะไปต่ออย่างไรก็ผ่านอุปสรรคมา ไ, ได้ในจุด ส, สุดที่สุดตลอดเส้นทางของเขาเราก็ทําเหตุอย่างนี้เนี่ยมันก็ทะลุไปได้ถ้าเราอไม่เลิงลากความเพียรยบางทีเงินกองใจเป็นกลังใจให้ดีเด็กให้ผู้หญิงแล้วผู้หญิงที่มีครอบครั ว, วก็ทําได้ทุกอย่างมีลูกอยู่พาอยู่เนี่ย เราสองคนพยายามทำได้ปฏิบัติได้เ อ, อลูกสาวก็อย่าแพ้แม่นะเออเดีลูกสาวก็อย่าแพ้แม่มันขึ้นลูกหลานต้องไล่พี่ลูกแรกอย่าอย่าแพ้แม่ก็ให้ไม่ปฏิบัติไม่ได้นะปฏิบัติไม่ได้นี่เป็นกําลังใจดีมากเลยเป็นกําลังใจใแกผู้หญิงเป็นกําลังใจใแกที่มีครอบครัวต้องทุกข์ยากลำ บ, บากผ่านอศปสรรคให้ได้ทั้งโลกเราผ่านอาุปสรรคให้ได้ในความทิ่บ้านถิ่นม ผ่านแด้จะถึงที่สุดไม่มีใครก็เออมีเงินขายอย่าพูมีเงินขายหรอกเออฉันเป็นผู้หญิงแล้วมีครอบครัวมีลูกเป็นมีข้ออ้างแล้วยังไม่มีเวลาเลยเนี่ยมีลูกต้องเลี้ยงดูสามีก็ไม่มีเป็นทั้งพ่อทั้งแม่แต่ก็ผ่านได้นั้นคนที่ชอบอ้างเออตอนนี้่อไปก่อาจจะไมนมีข้าอ้างอ่้นะเออฉันยังมีสามีอยู่ฉันยังมีลูกอยู่ฉันจะมีภาระอยู่ หมดก็อ้างแล้วนะเอออย่างตอนอย่างดิมมนใจแล้วมันถึงใจนะฟังอย่างเนี้ยมันถูงใจมันไม่ได้ออกมาจากความจํามันถึงใจจริงๆเราพูดคนเดียวไม่มีคนรับรองเราเออคือไม่มีคนรับรองคือเป็นอย่างที่เราพูดมันเราพูดคนเดียวมันแห้แงๆนะในตลาด <laughs> พวกกะทินและพริกเกลือเก่าอยู่เดียวที่อยู่ได้แนะมันก็รสชาติก็ไม่เสีย่ยนสักทออีมีคนอื่นที่รับรองเราที่เป็นตามเราพูดไแล้ว ถ้ามนันเป็นนิมีตหมายที่ดีเราเห็นตรงนี้แล้วนิมิตหมายมันดีดีเรีรม่มเกิเริ่มเกอดเกิดขึ้นแล้วข้อมีหนึ่งย่อมนับหนึ่งย่อมมีสองย่อมมีสามย่อมมีสี่ย่อมมีห้านับแต่นี้เติมเตไป<ๆ>จะเป็นมากมายมห า, าศาลเลยเลยถ้ามีคนหนึ่งมีพูดหนึ่งที่ที่รู้ได้เงินได้รู้ตามได้ที่ต้องมีคนตามได้คําของพุทธเจ้าเนี่ยถุดยอดแล้ว ทำแห่ความหลุดพ้นเนี่นวยวงความป่วางความแห่ามหลุดค้นแ่ความยึดมั่นถือมันแช่งตัวติ่ยึดต้นถือบัน่นก็ติดทุกิดกิเลร น, นี่แนะทาวันนี้แน่มันเด็ดขาดแล้วทาของพรุทธเจ้าเนี่ยมีคำของเราหรอกคธเจ้าถ้ามีหนึ่งคนเนี่ยจป็นนิดไม่มหลาที่ดีหรอกนับแต่นี้เป็นคนใหม่ถึง เ, เวลาแล้ว